อาจจะดักไปทางสมร tha เจิบวิปัสนาแค่30แต่ของเรามันเน้นด้ว่าขอคุณจาพิทักณ์ณมณิเขอให้ชัดวิปัสนาถึง 70% สรนะสมร t ถ, ถ้าจะมีก็ไม่ควรจะเกิน 30% เปรพราะการเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเหมือนเราใช้พัดเราต้องการลมอันเกิดจากพัดไม่ได้เอาตัวพัดเราเปิดพัดลมเราต้องการลมจาก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 รู้ตื่นด้วยบาแสดงว่ากักเอาไว้ท่านท่านนี้ไม่ได้บอกกันเลยนะอ๋อเลยพวกนตายแน่เลยใช่ใชรักกันจริงเอตอนนั้นเราเกี่ยวลงไปที่ห้องทีห้องครับออเอ๊ะเดี๋ย <ๆ S 2> วพูดถึงเรื่องเกี่ยวเลยพรุ่นี้ลองกันสักวันดีไหมทั้งวันเลยเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนลองอันนี้ก่อนโอเคสารศาสต์ที่เป็นดีซีหรือเปล่าดีซีะเพราะลงอเียพูดชัดเจนเลยบอกว่าขอให้เป็นลูกโซ่นะใช่ไห กับผมก็มาจับตายตรงนี้ว่าเป็นลูกโซ่เนี่ยนะก็คือต้องเวฟตอนนี้ไซเคิลเป็นเวฟคือลงแสดงว่าวิวิธิาสตรนี้เป็น AC AC อซีวิวิธิศาสตเป็น AC แต่สมรรถนเป็น DC ซีเป็นเส้นตรงเลยตรงเดลัก Direct Cycle ถ้ามามีมีเครื่องเปลี่ยนนะโออเอาเครื่องมาเปลี่ยนรับ โอ้โต่นี่เอง ส, สว่างสวยรู้หมดเลยอืก็ที่ผู้ใหญ่จะรู้บบนะผูบบ้นี้ต้องแชร์ต่อวันนี้เอาครึ่งเงินะเพราะว่าเรื่องนี้ยาวยาวไม่ยาวเขารู้ตลอดเล ย, ย, เลย <laughs> ตอนนั้นใครอยพิ่งไปไหนพวงนี้ก็มาแชร์ต่อเรื่องเอซงานนิยมเปี่ยมลำบากใจแนะ่เพราะจะเกิดสํานักใหม่เกิดขึ้นสํานักเอซีกับดีซไม่หมายถึงว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความอะไรล่ะความกัลลุณา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 เดี๋ยวดช่วงท้ายเดีช้ช่วโมงจะให้โอกาสอีกทีนึ่งจบ ก, ก, ก่นอนจบก็ <c oughs> แค่นี้พอแล้ว <c oughs> เอาไปแชร์ผู้นี้อีกครึ่งหนึ่งอ่าน้าเก่านึ่งเอาทั้งท้ายไม่มีใครอยู่เลยด้านหลังเนี่ยแต่ว่าเวลาแดดเข้ากรถอยหลังเอาเท่นอขอเวลาอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเศษนะเราจะได้พิสูจน์ว่าเราเข้าใจดร่องสมถะอภิปสนาโดยความเป็นจริงเนี่ยชัดไหมว่าเราดู รู้จากการเคลื่อนไหวหรืรู้จากเวทนาเนี่ยต่างกันไงรู้จักเวทนาหมายถึงรูปรู้จากการเคลื่อนไหวหมายถึงนาม